มันถอยออกจากกายจากใจอย่างเราหัดใหม่ๆเราก็ยังรู้สึกได้นะรู้สึกให้กายกับใจค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆเราหัดภานวนานะเพราะเรารู้สึกตัวเป็นเราจะเห็นกาย ก, ายก็จะอยู่นอกๆความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กุศลอกุศลมันไปอยู่นอกๆห่างๆกิเลสก็ไหลอยู่ห่างๆเมันมันแยกออกจากจิตใจของเราแต่เรายิ่งภาวนาไป วันหนึ่งก็แยกขาดออกจากกันแต่เราไม่เข้าไปเสวย อ, อารมณ์ใดๆเห็นอิสระอยู่ด้วยตัวของตัวเองนะมีแต่ความสุขตอนนี้ยังระวางหัดปฏิบัติบางครั้งจิตใจก็แยกออกจากกายแยกออกจากเวทนาความสุขทุกข์แยกออกจากสังขารที่เป็นปุสสนากุสสบางครั้งก็เข้าไปรวมกันอีกแยกบ้างรวมบ้าง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 หายสายที่ที่ทำไปตรงนี้ไปสู่ความว่างๆแล้วนะไปอยู่ที่ความว่างๆไม่เกาะ อ, อะไรแล้วก็บอกว่าพ้นทุกข์แล้เป็นพระอรหรันต์เหมือนพ้นไปเพราะว่าไม่ดูเหมือนนกกระจอกเทศเอาหัวสุกปีกไว้แล้วก็บอกว่าไม่มีศัตรูเหมือนคนละเรื่องกันนะหน้าที่เราต้องรู้กายต้องรู้ใจอย่าไปรู้ความว่างรู้ลงในกายในใจมากเข้ามากเข้านะ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 มสั้นที่สุดที่จะสั้นได้แล้วไม่มีทางที่สองั้นอย่ารีบร้อนนะรู้กายรู้ใจแล้วไม่ต้องรีบล้วทำไงจะเร็วกว่า น, นี้อีกรู้กายรู้ใจแล้วไม่มีทางที่จะเร็วกว่า น, นี้อีกเมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยากได้ทางที่สั้นๆ น, นะสั้นกว่านี้อีกเราหาัดรู้กายรู้ใจจนชำนิชำนาญแล้วไปหาครูบาอาจารย์ชอบไปถามท่านว่า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 สติมันเกิดเองการปฏิบัติมันก็จะแทรกตัวอยู่ในระหว่างการทำงานเนี่ยเป็นช่วงเล็กๆช่วงสั้นๆเล็กๆนะงั้นเวลาที่เราทางานสมมติเราทางานอยู่8ดชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่จะมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่มีสติ8ดชั่วโมงไม่ใช่อย่างเวลาที่เราทำงานจริงๆมันมีงานวิจัยรองรับนะว่าคนที่บอกว่าทางานมากพิดมากทั้งวัน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 เปิดคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ยังไม่ใช่เวลาทํางานเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ได้ว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินะหรืออย่างเราทํางานแล้ว เ, เดี๋ยวโทรศัพท์มาเนี่ยแหมมันอินเทอร์เน็ตนะโมโหขึ้นมาละโมโหมีสติรู้อีกหรือเราทํางานแล้วเราจะต้องไปห้องน้ําอากาศหนาวอย่างนี้ต้องไปบ่อยหน่อยตอนจะไปห้องน้ำนี่รูกขึ้นมาเคลื่อนไหวเดินไปห้องน้ำํำก็มีสติไป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 ทุกอันหนึ่งหมดอีกทุกอนหนึ่งก็มารออีกแล้วเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานอกจากทุกไม่เห็นมีอะไรเลยเอย่างนี้เห็นกายเป็นทุกเลื่อนๆนะจะได้ผ้านาคามีจิตไม่ยึดถือกายก็ไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสปทพะตัวรูปเสียงกลิ่นรสปทพะเรียกว่ากามะคุณอ า, ารมณ์พอจิตไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ก็จิตพ้นจากกรมไม่หลงยินดีในกามไม่หลงยินร้ายในกาม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 เป็นช่วงว่างระหว่างที่ความสุขยังไม่ช่วยแผ่ขึ้นมาแล้วเราจะปฏิบัติไปเราก็มีความสุขไปด้วยไม่ใช่ปฏิบัติไปเครียดไปถ้าปฏิบัติแล้วเครียดทําผิดแน่นอนจิตที่เครียดเป็นโทสะมูรจิตจิตที่มีโทสะเป็นรากฐานเรียกโทสะมูรจิตเกือบพูดปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะปฏิบัติ ด, ด้วยจิตมีโทสะนะเกือบทั้งหมดปฏิบัติ ด, ด้วยจิตมีโทสะ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 ว, วิมังสาคือใจจะเคล้าอยู่กับธรรมะทั้งวั น, ใ, น, ใ, นใจนี่เคล้าเคลียในการเรียนรู้กาย ร, รู้ใจเรื่อยๆในสุดก็ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติก็มีฉันทาวิริยาจิตตาวิมังสาตัวฉันทาเนี่ย้าเรามีสติมีสติหลายๆทีนะมันเริ่มเห็นประโยชน์สุขมีทั้งประโยชน์มีทั้งความสุขประโยชน์ก็คือได้เห็นความจริงมีความสุขในขณะที่รู้ความจริงนั้นด้วยเราจะขยันดู